สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องของผีวัดร้างมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าผีหรือว่าวิญ ญ, ญาณที่ดุร้ายประเภทพวกอสุรกายหลอกหลอนผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวมักจะเป็นวิญญาณของผู้ที่ตายโดยไม่ปกติธรรมดาเป็นส่วนมากเช่นถูกฆ่าตายบ้างฆ่าตัวตายบ้างหรือตายด้วยอุบัติเหตุแบบนี้เรียกว่าตายขณะจิตใจไม่มีสตินะคะ กำลังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอย่างรุนแรงหลงอยู่ในอำนาจกิเลสจนมืดมัวบอดสนิทจิตสุดท้ายขณะที่แตกดับในภาวะอย่างใดจิตก็จะยึดติดอย่างภาวะแบบนั้นไปเป็นอารมณ์ค่ะเช่นจนคนหนึ่งเข้ามาปล้นหมายชิงทรัพย์เจ้าของทรัพย์แต่ว่าเจ้าทรัพย์รู้ตัวจึงต่อสู้ค่ะโจนคนนั้นถูกเจ้าทรัพย์ทําร้ายบาดเจ็บสาหัสหนีสมสารไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ําเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่โจรคนนั้นจะกระทำการทุจริตทุกครั้งเขาก็มีความเชื่ออย่างหลงงมงายนะคะว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเชียงดาวคือผู้ที่ช่วยบันดาลให้เขาไปกระทำความชั่วได้สำเร็จตลอดมาแต่ว่าครั้งนี้นอกจากจะ ก, กระทำการไม่สำเร็จ ตัวเขาเองยังถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาอีกด้วยแทนที่โจรจะรู้สำนึกนะคะว่าเพราะตนไปกระทำความช่วจึงได้รับผลอันเลวร้ายเช่นนี้มันกลับคิดนะคะว่าพระพุทธรูปในถ้ำไม่ช่วยปกป้องคุ้มครองมันมันจึงใช้ขวานฟาดฟันพระจนเสียหักแล้วก็ตัวเองทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายอยู่ในถ้นั่นเองค่ะ ตายไปในขณะที่จิตมืดบอดด้วยโทสะกิเลสอันแรงกล้าแทนที่จะไปรับผลกรรมของตนแต่ว่าจิตวิญญาณกลับไปผุดไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายวนเวียนอยู่ในอาณาบริเวณถ้ำเชียงดาวแห่งนั้นได้รับความทุกขวเวทนาอย่างแสนสาหัส ต, ต่อเนื่องยาวนานเปรตอสุรกายตัวนี้นะคะเคยพบกันกับพระทุดงกรรมฐานที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมบนภูดอยเชียงดาวหลายรูปหลายองค์ค่ะ มันก็จะมักแสดงกายให้พระทุดงเห็นเพื่อหวังจะให้ท่านเกิดความเวทนาสงสารช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ไปสัทีแต่ด้วยรูปกายที่มันแสดงนั้นน่าเกลียดน่ากลัวเหลือจะกล่าวแทนที่พระทุดงท่านจะแผ่เมตตาให้เพื่อบรรเทาให้ผ่อนคลายความทุกข์ทรมานท่านกลับหนีหายไปหมด ก่อนที่โจรคนนี้นะคะจะสิ้นใจตายจิตของมันก็ถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยกิเลสอันชั่วร้ายเลวทรามส่งผลให้รูปกายชั่วชาน้าเกลียดหน้ากลัวตามไปด้วยดังนั้นแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือกลับถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานต่อไปอีกตราบจนกระทั่งหลวงปู่แหวนสุจินโนได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมณธรรมเชียงดาว ต่ต้นนี้ก็ได้มาปรากฏกายให้หลวงปู่ได้เห็นโดยการเอาเท้าเกี่ยวยอดต้นยางห้อยหัวลงมาตรงข้างทางเดินจงกรมซึ่งท่านเองก็กําลังเดินอยู่นะคะแต่ว่าหลวงปู่แหวนท่านไม่ได้กลัวค่ะและไม่ได้สนใจต่อร่างกายที่ชั่วร้ายน่าสะพรึงกลัวนั้น ท่านยังคงเดินจงกรมต่อไปเรื่อยๆเปรตตนนี้ก็แสดงให้เห็นหลายครั้งหลายหนจนหลวงปู่ส่งกระแสจิตถามความเป็นมาเปรตจึงได้เล่าให้ท่านฟังหลวงปู่แหวนนะคะท่านก็เกิดความสงสารเวทนาละค่ะจึงได้แผ่เมตตาให้นับตั้งแต่นั้นเปรตอสุรกายตัวนี้ก็หายไปนะคะ เปรตที่ถ้ำเชียงดาวมาปรากฏร่างให้เห็นในสภาพน่าเกลียดน่ากลัวก็จริงแต่ว่าไม่ถึงกับแสดงฤทธิ์อันสืบทอดมาจากจิตใจอันต่ำช้าหยาบกระด้างที่ติดมาตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์เช่นผีโจรอีกรายหนึ่งค่ะ ผีตัวนี้อาวาดอยู่ที่วัดบางระนกซึ่งเป็นวัดร้างกล่าวได้นะคะว่าผีวัดร้างบางระนกมีพลังแห่งความชั่วร้ายแก่กล้านักมันมักมาแสดงรูปกายหลอกหลอนผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาในเวลาวิการอยู่เสมอแต่ทั้งแทบไม่มีใครกล้าเฉียดกลเข้าไปใกล้วัดร้างแห่งนี้ค่ะเรื่องของผีวัดร้างบางระนกแห่งนี้นะคะมีหลักฐานและพยานยืนยันเอาไว้ชัดเจนค่ะ ก็คือนายสอนจะเดินรุกผู้ซึ่งเคยประสบกับผีวัดร้างบางระนกหลอกหลอนอย่างจังได้เล่าประสบการณ์ของตนให้หลวงพ่อประกาศอธิประตได้ฟังนะคะหลวงพ่อประกาศก็ได้นําเรื่องนี้มาเล่าต่อในรายการวิทยุชื่อรายการว่าวิญญาณพาเนจรมีรายละเอียดดังนี้นะคะเริ่มแรกก็จะมีผีวัดร้างบางระนกออกอาลวาดนั้นนี้มันจะมีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งเข้าไปปล้นบ้านข้าหาบดีรายหนึ่ง แล้วก็เกิดต่อสู้กันขึ้นโจรคนหนึ่งถูกอาวุธถึงแก่ความตายระหว่างปล้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำศพโจรคนนั้นไปฝังไว้ที่วัดร้างบางระนกโดยฝังตรงกลึ่กลางระหว่างต้นตะเคียนคู่เพื่อรอคอยให้ญาติพี่น้องของโจรคนนี้มาขุดไปทำพิธีทางาศาสนาต่อไปแต่ว่าไม่มีญาติพี่น้องคนใดนะคะมาปรากฏตัวและจัดการกับศพ ศพของโจรจึงได้ถูกปล่อยทิ้งไว้เรื่อยมานับตั้งแต่นั้นผีโจรที่วัดร้างบางระนกก็อารวาดหลอกหลอนผู้คนที่บังเอิญผ่านไปมาเป็นที่ขนพองสยองกล้าว สำหรับเรื่องของในสอนเจริญรุกนั้นนะคะเกิดขึ้นตอนในสอนอายุได้ประมาณ 12-13 ถึงปีนะคะในสอนอยู่บ้านข้างวัดโมลีตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีทุกปีที่จังหวัดนครปฐมจะมีงานเทศกาลประจำปีจัดขึ้นที่องค์พระปฐมเจดีย์ในวันเพ็ญเดือน12ค่ะในงานนี้จะมีพ่อค้าแม่ขายนำสินค้าสารพัดเอามาวางจาหน่ายในราคาถูกๆนะคะผู้ที่ไปเที่ยวงานนอกจากจะได้รับความสนุกสนานบัน ยังถือโอกาสซื้อสินค้าต่างๆกลับบ้านอีกด้วยในปีนั้นครอบครัวของในสอนก็ตกลงนัดหมายกันว่าจะไปเที่ยวงานพระปฐมเจดีโดยจะใช้เรือประทุนสองแจวนะคะเป็นพาหนะเนื่องจากว่าสมัยนั้นเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกสบายเหมือนเช่นปัจจุบันถ้าจะไปทางบกก็ต้องเดินลัดทุ่งไปตลอดทางและต้องเดินข้ามวันข้ามคืน ระหว่างทางก็ไม่รู้ว่าจะเจอเจอเข้ากับโจรผู้ร้ายบ้างหรือเปล่าเพราะว่าในยุคสมัยดังกล่าวมีเสือปล้นโจรชั่วระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงทางสัญจรที่นับว่าสะดวกสบายที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดก็คือทางน้ำค่ะเพราะว่ามีแม่น้ำลํำคลองเชื่อมต่อทะลุถึงกันหมดไม่ว่าจะไปใกล้หรือไปไกลแค่ไหนก็ไปถึงกันได้ ครอบครัวของนายสอนที่จะร่วมทางกันไปเที่ยวงานนครปฐมนะคะก็มีนายสอนซึ่งเป็นเด็กมีพ่อแม่ของนายสอนแล้วก็ในขุนนางไข่ซึ่งเป็นลุงกับป้าแล้วก็นายสอดคนข้างบ้านทั้งหมดพากันออ ก, กรเรือตั้งแต่บ่ายโดยช่วยกันแจวหัวแจวท้ายผลัดเปลี่ยนกันไปตลอดเส้นทาง เส้นทางที่ต้องไปนี้ก็จะผ่านเข้าคลองบางระนกซึ่งปากคลองขนานกันกับคลองบางคูเวียงซึ่งอยู่ในเขตบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จะไปทะลุแม่น้ำนครชัยศรีล่องเรือเรื่อยไปค่ะจนถึงนคปรปฐมต้องแจวกันไปข้ามคืนข้ามวันจึงจะถึงจุดหมายปลายทาง เที่ยวขาไปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคณะครอบครัวในสอนเที่ยวงานพระปฐมเจดีด้วยความสนุกสนานเบิกบานกันจนเ ต, เต็มอิ่มเลยนะคะแล้วก็ซื้อหาสินค้าติดไม้ติดมือมาพอสมควรจากนั้นก็พากันกลับโดยแจวเรือกลับตามเส้นทางเดิมออกเดินทางตั้งแต่ตอนเย็นลัดเลาะมาตามแม่น้ำก่อนจะแยกเข้าคลองมุ่งเข้าสู่จังหวัดนนทบุรี แจวเรือกันมาตั้งแต่ตอนเย็นค่ะกระทั่งเวลาล่วงเข้าตีสีของวันใหม่เรือของคณ ะ, ะครอบครัวในสอนก็ล่องเข้าคลองบางระนกโดยมีนายสอดแจวท้ายนายจันรพ่อของนายสอนแจวหัวส่วนคนอื่นๆนั่งนั่งนอนๆอนอยู่ในประทุนเรือแล่นผ่านมาถึงวัดร้างใกล้กับวัดหูช้างซึ่งชาวบ้านเรียกนะคะว่าวัดร้างบางระนกค่ะเป็นที่ลือเรื่องว่าผีดุเด็ดขาดนัก นายสอนกับนายจันทร์ก็โหมแจวหนักขึ้นนะคะโดยไม่ต้องนัดหมายค่ะเรือประทุนก็แล่นปลาดปราดเกือบจะพ้นเขตวัดร้างก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครวิ่งโครมครามบนสะพานทางเดินที่ทอดอยู่ระหว่างกุฏิด้านในกับศาลาหน้าวัดที่ติดคลองนายสอนกับนายจันทร์นะคะพ่อของนายสอนมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่โหมเข้าจ้วงแจวผู้ยน้ําสุดชีวิตเพื่อพาเรือไปให้เร็วที่สุด เสียงวิ่งตึงตังดังมาถึงหัวสะพานหน้าวัดค่ะนายสอดกับนายจันก็เหลียวไปดูพร้อมกันเห็นร่างใครคนหนึ่งนะคะเขาขาวค่ะยืนอยู่ตรงหัวสะพานและมีเสียงแหบกระเส่าเรียกทักทายไปไหนกันมาละพ่อเอ้ยไม่มีใครตอบค่ะเพราะรรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นผีคนที่อยู่ในประทุนเรือค่ะพากันนั่งตัวแข็งด้วยความกลัวสุดขีด ส่วนคนแจวหัวแจวท้ายค่ะ จ, จ้ำแจวกันสุดชนิดแรงเกิดเลยทีเดียวเพื่อจะหนีไปให้ไกลแสนไกลผีที่ยืนอยู่บนหัวสะพานเมื่อไม่ได้ยินเสียงคนตอบรับนะคะมันก็วิ่งโครมโครมกลับไปในวัดแล้วก็ลากสิ่งหนึ่งออกมาด้วยพอถึงหัวสะพานค่ะมันก็ผลักสิ่งนั้นหล่นโครมลงไปในน้ำ ที่แท้ก็คือโรงศพค่ะไอ้ผีเฮี้ยนโดดลงไปในโรงไม่รู้ว่ามันเอาภายมาจากไหนนะคะพายจ้ำภายจำ้ยจำไล่ตามหลังเรือประทุนซึ่งแจวหนีแบบไม่คิดชีวิตพ่อของนายสอนกับนายสอดโหมแจวแทบแจวจะหักคามือแต่ว่าโรงศพที่มีผีจ้วงภายก็แหวกน้ำแตกซ่า ม, มาอย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ฟังมันไล่ตามหลังใกล้เข้ามาทุกที เวลานั้นนะคะแม้ดวงจันทร์จะคล้อยต่ำลงมามากแล้วแต่ว่าแสงจันทร์จากพระจันทร์วันเพ็ญก็ยังคงส่องสว่างพอจะมองเห็นกันถนัดนะคะในสอดกับในจันทร์ค่ะเลี้ยวไปทีใดก็เห็นไอ้ผีนรกเนี่ยนะคะพายลงศพใกล้เข้ามาแทบว่าจะจอดติดข้างหลังทั้งสองคนจึงจ้ำแจวหนีสุดฤทธิ์นะคะฝ่ายคนหนีฝ่ายผีน่ะไล่ น้ำแตกซ่าจนผ่านตลาดคูเวียงผ่านวัดบางม่วงนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเรียกว่าวัดอัมพวันจนมาทะลุปากคลองบางใหญ่ขณะนั้นก็มีเรือบรรทุกอ้อยเต็มลำแล่นสวนมาจเจ้าอ้อยไปส่งโรงหีบอ้อยที่คูเวียงพอเรือประทุนครอบครัวในสอนแล่นเลยไปได้หน่อยเดียวค่ะเรือบรรทุกอ้อยก็เจอเข้ากับเรือลงผีอย่างจังได้ยินเสียงเอะอะโวยวายลั่นคลองค่ะเสียงคนโดดน้ําเสียงเรือล่มโกลาหลนอลมันไปหมด พ่อในสอนจึงบอกให้ในายสอดคนแจวท้ายเรือวกกลับไปช่วยพวกที่เรืออ้อยล่มนะคะปรากฏว่ามีคนลงไปลอยคออยู่ในน้ำหลายคนเลยล่ะคะ่ะบางคนไหวขึ้นฝั่งไปติดอยู่ตามก อ, อกกกว่าจะช่วยกู้เรือแล้วก็ไล่เก็บอ้อยที่ลอยน้ำซึ่งพอเหลืออยู่บ้างก็เสียเวลาไปนานโขปรากฏว่าเหลืออ้อยอยู่นิดเดียวนอกนั้นไหลาตามน้ำไปหมดเลยนะคะ พวกเรืออ้อยยังอกสันขวัญหายกันทั่วหน้าพวกนั้นเล่านะคะว่าเห็นเรือประทุนของพ่อของนายสอนแล่นน้ำแตกอู้มาแต่ไกลก็ยังนึกสงสัยว่าทำไมถึงรีบร้อนอะไรกันนักหนาพอเรือพวกเขาแล่นสวนไปก็เลยเจอเข้ากับเรือลงผี ไอ้ผีที่นั่งอยู่ในโรงเนี่ยคือกระโดดขึ้นมาเหยียบยืนอยู่บนแคมเรือค่ะเรือเอียงวูบเลยนะคะพวกที่อยู่บนเรือก็เลยรีบกระโดดลงน้ำหนีชุลมุนจนเรือล่มพอเรือล่มแล้วไม่รู้ว่าโรงผีกับผีเนี่ยหายไปไหนนะคะหลังจากที่คณะของนายสอนกลับมาถึงบ้านที่ข้างวัดโมรีนะคะแม่ของนายสอนถึงกับล้มป่วยเพราะว่าเสียขวัญต้องนิมนต์พระมารดน้ำมนต์ปัดรังควานเป็นการใหญ่กว่าจะหายเป็นปกติ หลวงพ่อประกาศอธิตย์ปโตค่ะกล่าวว่าเหตุที่ผีโจนหลอกหลอนนังควันชาวบ้านเป็นเพราะว่าอำนาจของกรรมนิมิตนะคะมันดึงไว้ไม่ให้ไปตามกระแสกรรมของตน กรรมนิมิตนั้นเกิดขณะกำลังกระทากรรมชั่วด้วยการปล้นสะดมชาวบ้านจิตของมันก็จะถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสโลภอันาหนะักเมื่อตัวเองถูกอาวุธถึงตายจิตก็ยึดเอาการปล้นเป็นอารมณ์มีความโลภคือความละโมบค่ะอยากได้ของผู้อื่นเป็นมูลฐานของจิตจิตร้อนเร่าด้วยความอยากได้นี่แหละที่ดึงเอาไว้ให้หลงอยู่ในโลกมนุษย์ทาให้เกิดเป็นผีลากลงออกเที่ยวรางวาเขา ผีวัดร้างบางระนกอลาวาตอยู่พักหนึ่งค่ะก่อนจะหายสาบสูญไปซึ่งเชื่อนะคะ ว, ว่าวิญญาณของมันคงถึงวาระต้องไปชดใช้กรรมชั่วที่เคยกระทำมาตามวิบากกรรมแล้วนั่นเองค่ะ